พระไตรปิฎกเล่มที่9ปาระสูตรที่9โปธดะปาทะสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อโปธดะปาทะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีในสมัยนั้นโปธทะปาทะปริพาชกพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ3า0พันรูป พักอยู่ในพระราชอุทยานของพระนางมัลลิกาชื่อเอกาสารกะที่จัดไว้เพื่อเป็นที่ประกาศลัทธิเช้าวันนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปกรุงสาวัตถีเพื่อบินธบาตพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าอย่างเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบินธบาตในกรุงสาวัตถีทางที่ดีเราควรเข้าไปหาโปรดถปาท่าปริพาชก ในพระราชอุทยานของพระนางมาลิกาเหตุการณ์ในพระสูตรนี้บอกให้ทราบถึงสภาพทางสังคมในสมัยพุทธกาลอย่างหนึ่งคือสมัยนั้นคนชอบสแสวงหาความรู้ใครต้องการแสดงทัศนะของตนก็สามารถไปแสดงในศาลาถกแถลงที่จัดไว้อีกทั้งยืนยันว่าการประกาศ ธ, ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามิใช่ว่าพระองค์จะทรงวางท่าทีเป็นปรปักษ์กับนักบวชต่างลัทธิ เวลานั้นปวดาปาทัาปริภาชกกำลังนั่งสนทนาด้วยเสียงดังอื้ออึงอยู่กับปริภาชกบริษัทหมูใหญ่ถึงได้รัชานกถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมมาศเรื่องกองทัพเรื่องไัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องกวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบท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 พระองค์โปรดเสียงเบาตรัสสรรเสริญเสียงเบาบางทีเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าบริสัทเสียงเบาอาจจะเสด็จเข้ามาก็ได้เมื่อเขากล่าวอย่างนี้ปริพาชคเหล่านั้นจึงได้เงียบทีนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาปวดทาปาท่าปริพาชกปวดทาปาท่าปริพาชคจึงทูลเชิญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามาเถิด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 เวลานี้พวกท่านนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โบสถาปาทถบริพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องที่พวกข้าพระองค์สนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเรื่องนี้พระองค์จะทรงสดับเมื่อใดก็ได้ในภายหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนก่อนพวกสมณพราหมณ์ผู้มีลัทธิต่างกัน ได้มาชุมนุมกันที่ศาลาถกถแถลงซึ่งเป็นสถานที่ที่สมณพราหมณ์ผู้เป็นเดรัจฉีต่างมาแสดงทัศนะตามลัทธิของตนพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ตั้งประเด็นสนทนากันเรื่องอภิสัญญานิโรธว่าท่านทั้งหลายอภิสัญญานิโรธคืออะไรบางพวกเสนอว่าสัญญาของคนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดดับไปเองเวลาที่เกิดสัญญา คนก็มีความจำเมื่อสัญญาดับคนก็จำอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอว่าสัญญาเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนเป็นอัตตาของคนที่เวียนเข้าเวียนออกเวลาที่สัญญาเป็นอัตตาเวียนเข้าคนก็มีความจาเมื่อสัญญาอัตตาเวียนออกคนก็จาอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอว่า เพราะมีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ nice ์มากมีอนุภาพมากสามารถบรรดาสัญญาของคนให้เข้าไปหรือให้ออกไปก็ได้เวลาที่บรรดาให้สัญญาเข้าไปคนก็ม like ีความจำเมื่อบรรดาให้สัญญาออกไปคนก็จำอะไรไม่ได้พวกหนึ่งเสนอว่าเพราะมีเทวดาผู <Okay. S 1> asks, ้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถบรรดาสัญญาของคนให้เข้าไปหรือให้ออกไปก็ได้ เวลาที่บรรดาให้สัญญาเข้าไปคนก็มีความจำเมื่อบรรดาให้สัญญาออกไปคนก็จำอะไรไม่ได้ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่าผู้ฉลาดในธรรมะเหล่านี้ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตเท่านั้นค่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงฉลาดรอบรู้ในเรื่องอภิสัญญานิโรดนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอภิสัญญานิโรธเป็นอย่างไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโธะปาทะบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นความเห็นของพวกที่กล่าวว่าสัญญาของคนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดดับไปเองนั้นผิดตั้งแต่แรกทีเดียวเพราะเหตุไรเพราะสัญญาของคนมีเหตุมีปัจจัย เกิดก็มีดับก็มีสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาก็มีสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาก็มีคําว่าสัญญาในภาษาพระหมายถึงการจําได้หมายรู้นะครับส่วนคําว่าการศึกษาในที่นี้คือสิกขาการศึกษาการสําเนียกหรือข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมมีสมอย่างคืออาธิศีลัสิกขา การศึกษาอบรมในเรื่องศีลอธิจิตตดสิกขาการศึกษาอบรมในเรื่องจิตเรียกง่ายๆว่าสมาธิและอธิปัญญาสิกขาการศึกษาอบรมในเรื่องปัญญาเป็นเหตุให้สัญญาดับและเกิดได้เช่นพอจิตบรรลุปฐมฌานการมาสัญญาก็ดับไปสัจจสัญญาอันละเอียดมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกก็เกิดขึ้นมาแทน การศึกษาเป็นอย่างไรโ ป, รปธะปาทะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบข้อความเต็มเหมือนสามัญญพลสูตรนะครับภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบ เธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมมาชานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่กรมมสัญญาคือความจำได้หมายรู้เรื่องกามของเธอที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจจะสัญญาอันละเอียดมีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกจะเกิดขึ้นแทนสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้นี้จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งสำหรับคำว่าสัจจะสัญญาคือความสำคัญหรือความรู้สึกว่ามีปีติและสุขเป็นต้นที่ชื่อว่าสัจจะสัญญาเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ปทปาทะเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผลขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่สัจจะสัญญาอันละเอียดมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจจะสัญญาอันละเอียดปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะเกิดขึ้นแทน เพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตัตยยฌานมีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสัจจสัญญาอันละเอียดมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจจสัญญาอันละเอียดมีสุขอันเกิดจากอุเบกขาจะเกิดขึ้นแทนเพราะละสุขละทุกได้เพราะโสมนัสละโทมนัส ด, ดับไปก่อนแล้ว ภิกษุบรรลุจตุตตะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริบูรณ์สัจจะสัญญาอันละเอียดมีสุขอันเกิดจากอุเบกขาที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจจะสัญญาอันละเอียดที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขจะเกิดขึ้นแทนภิกษุบรรลุอากาสานัญจาตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญา ไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงรูปสัญญาที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากาศสานัญจายตนะฌานจะเกิดขึ้นแทนภิกษุล่วงอากาศสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ สัจจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอาการานันจายตนะฌานที่มีอยู่ก่อนจะดับไปสัจจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณันจายตนะฌานจะเกิดขึ้นแทนภิกษุล่วงวิญญาณันจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากิญจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรสัจจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณันจายตนะฌานที่มีอยู่ก่อนจะดับไป สัจจะสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากินจัญญายตนะฌานจะเกิดขึ้นแทนสัญญาอย่างหนึ่งเกิดเพราะการศึกษาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะการศึกษาอย่างนี้แหลนี้จัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งโอตปาทะภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่ยังมีส ก, กสัญญา คือความสำคัญว่าเป็นของตนนึกว่าเป็นของตนเองเธอออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าตติยฌานจนถึงอากินจัญ ญ, ญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาโดยลำดับเมื่อเธออยู่ในอากินจัญ ญ, ญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาเกิดความคิดขึ้นมาอย่างนี้ว่าเมื่อเรายังคิดอยู่ไม่ดีเลยไม่คิดเสียจะดีกว่า ถ้าเรายังคิดยังคำหนึง่งสัญญาเหล่านี้ที่เราได้มาแล้วจะพึงดับสัญญาอื่นที่หยาบจะเกิดขึ้นแทนทางที่ดีเราไม่ควรคิดและไม่ควรคํานึงเธอจึงไม่คิดไม่คํานึงเมื่อเธอไม่คิดไม่คํานึงสัญญานั้นจึงดับไปสัญญาอื่นที่หยาบก็ไม่เกิดขึ้นเธอจึงบรรลุนิโรธโตรปาทะ การเข้าถึงความดับสัญญาของภิกษุผู้มีความรู้ตัวโดยลำดับย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้โปตาปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไรการเข้าถึงความดับสัญญาของภิกษุผู้มีความรู้สึกตัวโดยลำดับเช่นนี้ท่านเคยได้ยินมาก่อนบ้างหรือไม่เขากราบทูลว่าไม่เคยได้ยินเลยพระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์เพิ่งรู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเดี๋ยวนี้เองเขาทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอากินจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้อย่างเดียวหรือบัญญัติไว้หลายอย่างพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปตปาทะ เราบัญญัติอากินจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้อย่างเดียวก็มีหลายอย่างก็มีเขาทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอากินจัญ ญ, ญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้อย่างเดียวก็มีหลายอย่างก็มีโดยวิธีใดบ้างพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโอทาปาทะ เราบัญญัติอากินจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาไว้โดยวิธีที่พระโยคาวจรจะบรรลุนิโรดได้ดังนั้นเราจึงบัญญัติอากินจัญญายตนะฌานอันเป็นที่สุดแห่งสัญญาอย่างเดียวก็มีหลายอย่างก็มีเขาทูลถามว่าสัญญาเกิดขึ้นก่อนญาณหรือว่ายาณเกิดขึ้นก่อนสัญญา หรือว่าทั้งสัญญาและญาณเกิดขึ้นพร้อมกันพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับส่วนนี้เป็นคําถามในธรรมนองว่าระหว่างสัญญากับญาณฝ่ายไหนเกิดก่อนกันอันหนึ่งคู่ของสัญญาและญาณมีฝ่ายละสามคือญาณสัญญากับวิปัสสนาญาณวิปัสสนาสัญญากับมัคญาณและมรคสัญญากับผลและญาณ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโอทัปาทะสัญญาเกิดขึ้นก่อนยานเพราะมีสัญญาเกิดขึ้นจึงมียานเกิดขึ้นภิสุย่อมรู้อย่างนี้ว่าเพราะสัญญาเป็นปัจจัยยานจึงเกิดขึ้นแก่เราโปทัปาทะปริภาชคทูลถามว่าสัญญาเป็นอัตตาของคนหรือว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโปทัปาทะท่านหมายถึงอัตตาเช่นไรเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หมายถึงอัตตาหยาบซึ่งมีรูปที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่บริโภคอาหารเป็นคำคำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปทัปาทะอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นเป็นอัตตาหยาบเมื่อเป็นเช่นนี้ สัญญากับอัตตาก็เป็นคนละอย่างกันอัตตาหยาบซึ่งมีรูปที่ประกอบด้วยมหาพุทธรูปสี่บริโภคอาหารเป็นคำคานี้จงยกไว้ก่อนถ้าสัญญาของคนที่พูดถึงนี้อย่างหนึ่งเกิดและอีกอย่างหนึ่งดับท่านก็พึงทราบโดยปริยายว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์หมายถึงอัตตาที่สําเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโธ ป, ปาทะอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สัญญากับอัตตาก็เป็นคนละอย่างกันเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หมายถึงอัตตาที่ไม่มีรูปสําเร็จด้วยสัญญา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 ท่านมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันจึงเข้าใจได้ยากว่าสัญญาเป็นอัตตาของคนหรือว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอย่างกันเขาทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์พููเจริญก็โลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคับกระนั้นหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกไม่ Marco, เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะกระนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกัน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 หมายถึงอัตตาหรืออาตมันไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ตอบพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะเรื่องนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่ใช่จุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำนัดยินดีไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่ตอบเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงตอบเรื่องอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัส ต, ตอบว่า เราตอบเรื่องทุกข์เรื่องทุกขะสมุ ท, ทยัยคือเหตุเกิดทุกข์เรื่องทุกขะนิโรธคือความดับทุกขเรื่องทุกขะนิโรธถาขามิหนีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสู่ความดับทุกขเขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงตอบเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เพราะเรื่องนั้นมีประโยชน์มีสาระเป็นจุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดยินดีเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงตอบเขากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาค จงทรงกําหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข่าทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จจากไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานพวกบริพาชกได้ตัดพ้อต่อว่าโปวดทับตาท้บริพาชกด้วยคําตัดพ้อต่อว่าทิมแทงว่าท่านโปวดทับตาทะเป็นคนอย่างนี้นี่เอง ท่านโปรดาบปาทะพลอยชื่นชมคำพูดของพระสมณะโคดมทุกคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นแต่พวกเรากลับไม่เข้าใจความหมายที่พระสมณะโคดมตรัสแม้แต่นิดเดียวว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกัน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 ก็ไม่เข้าใจความหมายที่พระสมณโคดมตรัสไว้แม้แต่นิดเดียวว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่แต่ว่าพระสมณโคดมส่งบัญญัติข้อปฏิบัติที่จริงแท้แน่นอนเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามไว้ก็เมื่อส่งบัญญัติเช่นนี้ชนัยวินยูชนอย่างข้าพเจ้า จะไม่พลอยชื่นชมสุภาษิตของพระสมณโพดมโดยเป็นคำสุภาษิตเล่าสำหรับคำว่าธรรมทิติคือสภาวะที่ดำรงอยู่เองเป็นอยู่เองตามธรรมดาอัตถกถาหมายเอาสภาวะที่ดารงอยู่ในโล ก, กุตรธรรมก้าส่วนคาว่าธรรมนิยามคือกฎที่แน่นอนแห่งสภาวะอันมีอยู่จริงแท้และแน่นอนหลบเลี่ยงไม่ได้ ต้องเป็นไปตามที่มันเป็นหรืออาจเรียกว่ากฎธรรมชาติก็ได้อัตถกถาหมายเอากฎที่แน่นอนแห่งโลกุตระธรรมเรื่องจิตตะหัตถิสาวริบุตรและปวะปาทะริภาชกจิตตะหัตถิสาวริบุตรเป็นบุตรในควานช้างกรุงสาวัตถี บวชบวึกๆจนครบเจ็ดครั้งในตอนเกิดพระสูตรนี้ครั้นผ่านไปสองถึงสามวันจิตตหัตถิสาวริบุตรกับปวถาปาทะปริพาชกผ่ากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานพวกปริพาชกได้ตัดพ้อต่อว่าข้าพระองค์ บอกว่าพวกเขาไม่เข้าใจความหมายที่พระสมณะโคโดมตรัสแม้แต่นิดเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโอทัปปาทะปริภาชคทั้งหมดเหล่านี้เป็นคนตาบอดไม่มีจักสุในชุมชนนั้นมีแต่ท่านเท่านั้นที่มีจักสุธรรมที่เป็นเอกังสิกธรรมเราได้แสดงและบัญญัติไว้แล้วธรรมะที่เป็นเอกังสิกธรรม เราก็ได้แสดงและบัญญัติไว้แล้วคำว่าเอกังสิกธรรมคือธรรมะที่เป็นได้อย่างเดียวได้แก่ธรรมะที่มีความชัดเจนแน่นอนสามารถบอกได้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเช่นเหตุของทุกข์คือตัณหาเท่านั้นส่วนคำว่าอเนกังสิกธรรมคือธรรมะที่เป็นได้หลายอย่างได้แก่สิ่งที่ไม่อาจตอบได้ว่า ใช่หรือไม่ใช่เพียงอย่างเดียวเช่นไม่อาจตอบว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงปโธทารปาทะเราแสดงและบัญญัติธรรมเหล่าไหนว่าเป็นอเนกังศิกธรรมคือธรรมะที่ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสรีระเป็นคนและอย่างกัน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 เป็นอเนกการสิกขธรรมเล่าเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำนัดยินดีไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงแสดงและบัญญัติธรรมะเหล่านี้ว่า เป็นเอกังสิกรธรรมโอษปาทะเราแสดงและบัญญัติธรรมะเหล่าไหนว่าเป็นเอกังสิกรธรรมคือธรรมะที่ว่านิทุกขนิทุกขกะสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์นิทุกขานิโรธคือความดับทุกข์นิทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสู่ความดับทุกข เราแสดงและบัญญัติธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นเอกังสิกธรรมโอทปาทะเพราะเหตุไรเราจึงแสดงและบัญญัติธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นเอกังสิกธรรมเล่ า, า เ, เ, รรเพราะว่าธรรมะเหล่านี้มีประโยชน์มีสาระเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดยินดีเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน ฉะนั้นเราจึงแสดงและบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่าเป็นเอกังสิกธรรมโปธปปาทะมีสมณพราหมู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหลอดภัยเราเข้าไปหาสมณพราหม์เหล่านั้นแล้วถามว่าท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า หลังจากตายแล้วอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวปลอดภัยจริงหรือถ้าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นถูกถามอย่างนี้ยังยืนยันว่าจริงเราจะถามว่าก็ท่านรู้ท่านเห็นโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นเราจะถามว่าท่านรู้อัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียวตลอดหนึ่งวันตลอดหนึ่งคืน หรือตลอดครึ่งวันตลอดครึ่งคืนหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่รู้เราจะถามว่าที่ท่านรู้ว่านี้เป็นทางนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่รู้เราจะถามว่าก็ท่านได้ยินเสียงพวกเทวดาผู้บังเกิดในโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว ซึ่งกล่าวอยู่ว่าท่านผู้นิรทุก์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อบรรลุโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวถึงข้าพเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนี้จึงบังเกิดในโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้พวกเขาจะตอบว่าไม่ได้ยินโอทัปปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปโปทบปาทะเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรรถนารักใกรหญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณ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 เปรารถนารักใคร่หญิงที่ยังไม่เคยรู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่โปทัปปะทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอน เพราะผู้มีพระภาคตรัสว่าอดัปปาทะเปรียบเหมือนบุรุษทำบันไดที่หนทางใหญ่สีแพร่งเพื่อขึ้นปราสาทคนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอจะทําบันไดขึ้นปราสาทเธอรู้จักปราสาทนั้นหรือว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือมีขนาดสูงต่ําหรือป้านกลางเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายังไม่รู้จะถูกถามต่อไปว่า เธอจะทำบันไดขึ้นปร า, าสาทที่ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่โปดถาปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอน การได้อัตภาพสามอย่างในที่นี้พระพุทธองค์ตรัสถึงการได้อัตภาพสามอย่างคือการได้อ <ko> ัตภาพที่หยาบได้แก่การมมพบการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจได้แก่รูปประพบการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปได้แก่อรูปประพบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปทปาะทะการได้อัตภาพมีสามอย่างคือการได้อัตภาพที่หยาบ การได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปโอทัปปาทะการได้อัตภาพที่หยาบเป็นอย่างไรคืออัตภาพที่มีรูปประกอบด้วยมหาปูตรูปสี่บริโภคอาหารเป็นคำคำนี้จัดเป็นการได้อัตภาพที่หยาบการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจเป็นอย่างไรคืออัตภาพที่มีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วน มีอ an ah ินทรีย์ไม่บกพร่องนี้จัดเป็นการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเป็นอย่างไรคืออัตภาพที่ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญานี้จัดเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปโอธปาทะเราแสดงธรรมเพื่อละการได้อัตภาพที่หยาบอัตภาพที่สำเร็จด้วยใจ อัตภาพที่ไม่มีรูปว่าพวกท่านปฏิบัติตานนั้นแล้วจะละสังกิเลสิกธรรมได้และอุทานิยธรรมจะเพิ่มคูนยิ่งขึ้นสำหรับคำว่าสังกิเลสิกธรรมคือธรรมะที่ทำให้จิตเศร้าหมองได้แก่อกุศลจิต12คือโลภะมูลจิต8ปโทสะมูลจิตสองและโมหะมูลจิตสอง ส่วนคำว่าอวทานิยธรรมคือธรรมะที่ทำให้จิตผ่องแผ้วได้แก่สมถะวิปัสนาพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังกิเลสิกธรรมได้และอวทานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพยบู์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบางคราวท่านมีความเห็นอย่างนี้ว่า เราพอจะละสังกิเลสิกธรรมได้และอวตานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นบุคคลจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพยบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าจะมีความเป็นอยู่ลำบากก็เรื่องนี้ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นแท้จริงท่านจะละสังกิเลสิกธรรมได้และโวธานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น บุคคลจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพบูรณ์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทั้งจะมีความปราโมทย์ปีติปสัสสติสติสัมปัชัญญะและอยู่เป็นสุขโอธปปาทะหากคนเหล่าอื่นจะถามเราอย่างนี้ว่าผู้มีอายุอะไรคือการได้อัตภาพที่หยาบอะไรคือการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจ อะไรคือการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปซึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อให้ละซิว่าพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังกิเลสิกธรรมได้และอวธานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพยบู์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบันเมื่อถูกถามอย่างนี้เราจะตอบว่าผู้มีอายุนี้แหล จัดเป็นการได้อัตภาพที่หยาบอัตภาพที่สําเร็จด้วยใจอัตภาพที่ไม่มีรูปซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให้ละสิว่าพวกท่านปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะละสังกิเลสิกธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจะทําให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพ่บูนแห่งปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโอธัปาทะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร เมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยมิใช่หรือเขากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปรจะปาทะเรียบเหมือนบุรุษทำบันไดเพื่อขึ้นปราสาทที่ใต้ปราสาทนั่นเองควรจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอจะทาบันไดขึ้นปราสาท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 เมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของบุรุษนั้นถือว่าไม่เลื่อนลอยแน่นอนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้จิตตะหัตถสารีบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่หยาบการได้อัตภาพที่สําเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปก็เปล่าไปคือเป็นโมคะ มีแต่การได้อัตภาพที่หยาบเป็นเรื่องจริงกระนั้นหรือในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปก็เปล่าไปมีแต่การได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจเป็นเรื่องจริงกระนั้นหรือในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจก็เปล่าไป มีแต่การได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเป็นจริงประนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตตาในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่หยาบ ก, ก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปมีเพียงการได้อัตภาพที่หยาบเท่านั้นในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจ ก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่หยาบ <sk tinha> และการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปมีเพียงการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจเท่านั้นในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่หยาบและอัตภาพที่สำเร็จด้วยใจมีเพียงการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเท่านั้นจิตต์ถ้าคนจะถามท่านว่าในอดีตการท่านได้มีแล้วไม่ใช่ว่าไม่มี ในอนาคตการท่านจักมีไม่ใช่ว่าจักไม่มีเวลานี้ท่านมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่กระนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไรจิตตะหัติสาริบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะตอบว่าในอดีตการเราได้มีแล้วไม่ใช่ว่าไม่มี ในอนาคตตการเราจักมีไม่ใช่ว่าจักไม่มีเวลานี้เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่เมื่อถูกถามอย่างนี้ถ้าพระองค์ก็จะตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตตะถ้าคนจะถามท่านว่าท่านมีการได้อัตภาพที่เป็นอดีตการได้อัตภาพที่เป็นอดีตการได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริง การได้อัตภาพที่เป็นอนาคตและการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันก็เปล่าไปท่านจักมีการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตการได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงการได้อัตภาพที่เป็นอดีตและการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันก็เปล่าไปท่านกำลังได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันการได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงการได้อัตภาพที่เป็นอดีต และการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตก็เปล่าไปกระนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไรจิตตะหัตถสาวริบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะตอบว่าเรามีการได้อัตภาพที่เป็นอดีตการได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงในสมัยนั้นการได้อัตภาพที่เป็นอนาคต และการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันก็เปล่าไปเราจะมีการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตและได้อัตภาพเช่นนั้นเป็นเรื่องจริงในสมัยนั้นการได้อัตภาพที่เป็นอดีตและการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันก็เปล่าไปเรากำลังได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันในเวลานี้และการได้อัตภาพเช่นนี้พึงเป็นเรื่องจริงการได้อัตภาพที่เป็นอดีต และการได้อัตภาพที่เป็นอนาคตก็เปล่าไปเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอย่างนั้นแลจิตตะในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่หยาบก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปมีเพียงการได้อัตภาพที่หยาบเท่านั้น ในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่ไม่มีรูป ก, ก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจมีเพียงการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเท่านั้นจิตตาเปรียบเหมือนนมสดมาจากแม่โคนมส้มมาจากนมสดเนยข้นมาจากนมส้มเนยใสมาจากเนยข้นหัวเนยใสมาจากเนยใส ในเวลาที่ยังเป็นนมสดก็ไม่นับว่าเป็นนมส้มไม่นับว่าเป็นเนยข้นไม่นับว่าเป็นเนยใสไม่นับว่าเป็นหัวเนยใสยังเป็นนมสดเท่านั้นในเวลาที่เป네็นนมส้มในเวลาที่เป็นเนยข้นในเวลาที่เป็นเนยใสในเวลาที่เป็นหัวเนยใสไม่นับว่าเป็นนมสดไม่นับว่าเป็นนมส้มไม่นับว่าเป็นเนยข้นไม่นับว่าเป็นเนยใส ยังเป็นหัวเนยใสเท่านั้นฉันได้จิตตะเรื่องนี้ก็เช่นกันในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่หยาบก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจและการได้อัตภาพที่มีรูปมีเพียงการได้อัตภาพที่หยาบเท่านั้นในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่หยาบและอัตภาพที่ไม่มีรูป ในเวลาที่มีการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปก็ไม่นับว่ามีการได้อัตภาพที่หยาบและการได้อัตภาพที่สําเร็จด้วยใจมีเพียงการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปเท่านั้นจิตตะเหล่านี้แลเป็นโลกะสมัญญาคือชื่อที่ชาวโลกใช้เรียกเป็นโลกานิรุติคือภาษาของชาวโลกเป็นโลกะโวหารคือโวหารของชาวโลกเป็นโลกบัญญัต คือบัญญัติของชาวโลกซึ่งตถาคตก็ใช้อยู่แต่ไม่ยึดถือเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาจบโอสถปาทะปริภาชกและจิตตะหัตถสาวรีบุตรได้กราบทูลสันเสริญพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ฝ่ายจิตตหัตถิสาริบุตรทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานก็บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจบโปทถปปาทาสูตร